กกับทางคณะเจ้าหน้าที่แล้วก็ของยุวพุทธิกะสมาคมตลอดถึงขอนุโมทนาแก็บญาติโยมญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายนีนเออเขาจะมีการกล่าวอะไรกันช่วงนี้กล่าวให้ โอวาทครั้งสุดท้ายใช่มั้ยครั้งสุดท้ายเห็นยอมพูดกันนะมาก็แอบฟังออกให้ปัดฉิมมาโอวาทมาก็สดุดดงเลยถ้าปัดฉิมมาโอวาทพระพุทธเจ้าเป็นพูดตัด หันดทานีพิกเวอามันดยามิโววายธรรมมาสังขาลาอัปมาเทนะสัมปาเทธาจบแล้วพูดยาวเก่ากันนี้เออก็ก็ไม่เป็นไรเนเดี๋ยวมาพูดตอนท้ายกันแล้วกันเดี๋ยวให้ทางทุกองไหมพูดทุกองไ์มหรือกี่องฮะเอออนนี่มน องไหนที่ยังไม่ค่อยได้พูดเนี่ยท่านเอา้าท่านพระมหาไกรศักดิ์ที่ท่านเป็นพระมหาป ร, รียนเรียนมาเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นเจ้าวา ด, แ, วาวาดแต่ตอนนี้ท่านลาออกแล้วถ้าสนใจก็นิมนต์ได้ตอนนี้หัวใจยังว่าง เอานิ ม, มน์ครับท่านพระมาท่านมามีอะไรที่จะกล่าวให้โยมฮะไม้นะไม่เปิดไม้ได้นะจะเปิดโอกาสประเทศลกะกอเจริญพรโยมทุกคนครันก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีการ คอสอนาคตสติภาวนานะแล้วก็มีโยมผู้ปฏิบัติที่สนใจมาเจริญกุศลขั้นภาวนานะก็ถือว่าชาวพุทธที่สนใจพุทธศาสนาก็จะไม่ห่างเหินจากกธรรมคำสอนของพุทธเจ้าโดยเฉพาะแล้วในเรื่องการปฏิบัติที่ถูกต้องที่พุทธเจ้าได้วาง แบบแผนไว้ให้ชาวพุทธได้เดินตามแต่ว่าแบบแผนนี้ต้องอาศัยสัตบุรุษผู้รู้บัณฑิตเป็นผู้กล่าวบอกส่วนในเรื่องที่เป็นข้อปีกย่อยที่มีแตกแยกกันไปในเรื่องของสำนักก็เป็นเรื่อง อีกอย่างหนึ่งนะโยมก็ต้องใช้สติใช้ปัญญาอะไรนะแยกแยะให้ถูกการมาเจริญกรรมฐานในสถานที่นี้ได้ยินว่าโยมพูดว่ามีปัญหาถามมากกว่าทุกครั้งเลยนะทุกคอรสที่จัดที่นี่ถามปัญหาเยอะนะครั้งนี้ตอบไม่หมดโยมนะเวลาไม่พอนะ แล้วก็ในเรื่องการเจริญกรรมฐานก็มีน้อยคนะือมีการแสดงธรรมให้เป็นส่วนมากนะไม่ได้จเจริญกรรมฐานเท่าที่ผู้ปฏิบัติอยากจะทำก็นะถือว่ายังมีโอกาสได้ทำกันนะแม้ไม่ได้จัดคอร์สก็อาจจะ บุคคลปกติที่ชอบในเรื่องภาวนานี้ก็นำไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้นะก็อาตมาก็ถือว่ามาพูดเล็กน้อยนะเพราะว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เอาพรรษาแล้วก็จเจริญกุศลในเรื่องภาวนาจเจริญเมตตาบ้างนะเป็นปกตินะเลย มีโอกาสได้มาพูดคือติดตามมาก็แล้วกันนะไม่ได้มาพูดจริงๆติดตามก็ไม่มีอะไรที่จะในการกล่าวคำพูดที่เหมาะสมกับการเวลาสั้นๆอย่างนี้นะถือว่าโยมทุกคนก็มีจิตเป็นกุศลได้มาร่วมปฏิบัติในการเจริญ ส่วในกรรมฐานนะที่เป็นไปเพื่อออกจากวัตฏะทุกขนะ์ทุกท่านในที่นี้ก็คงปรารถนาซึ่งพระนิพพานนะเพราะว่ามีความทุกข์แล้วก็เห็นเหตุที่มันเกิดทุกข์แล้วก็เห็นความต้องการที่มันไม่มีคําว่าจะสิ้นสุดได้จะพ้นจากตัณหาตรงนี้ได้ เราก็ต้องพยายามฝืนทวนกระแสแล้วก็ให้กุศลจิตของเราในเกิดวัยวยนะแล้วก็จะเห็นโทษในวัตตะว่าที่เราผ่านช้ชีวิตมานเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะจียังยั่งยืนมากากุศลที่เราทำก็เพื่อเป็นบันไดพอกุศลทาแล้วก็ ให้ผลตามเหตุตามปัจจัยนะถ้ามีเหตุมีปัจจัยเขาก็ให้ผลนะถ้าไม่มีเหตุมีปัจจัยเขาก็ไม่ให้ผลนะก็ือว่าเป็นเรื่องที่เหตุปัจจัยมันต้องมาพร้อมกันนะว่าเรื่องตัวอย่างก็คงจะมีนะอย่างเรื่องที่บุคคลที่ผูกเวรกับพพุทธเจ้าคือพระเทวทัตเนี่ยแต่ว่า ถูกเป็นดินสูบแต่พระเจ้าก็พยากรณ์ไว้ว่าจะเป็นพระประเจคุรัจจาาเขามีกุศลที่พอกผูนมาแล้วสองอสองไข่แล้วอีกแสนกับแต่ตอนนี้กุศลที่เขาทําเนี่ยไม่ให้ผลพราะเขาไปเกิดอยู่ในนรกพระเจ้าพยากรณ์ไว้แล้วเขาพ้นจากนรกเขาก็จะ ได้สร้างบริเวณอีกแสนนะก็จะเป็นพระประเจพุตเจ้าตัดสรุ้เองนะในยุคที่ไม่มีพุทธเจ้ามาประกาศศาสนานะก็คือถ้าเขาเหตุปัจจัยกุศลเขาสร้างมาแต่ไปอยู่ในที่ที่กุศลไม่ส่งผลใหเขานะเขาก็จะไม่ได้รับผลนะแต่นี่แหละคือกุศลเราก็ต้องรีบสร้างแล้วโนะยมทุกคนก็คงจะหวังเพื่อจะพ้นทุกข์จริงๆ นะต้องสละเวลาทุกอย่างภาระอะไรความกังวลความวิตกก็อะไรก็ต้องให้จิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จ ะ, จะเจริญกรรมฐานได้มากนะเวลาก็มีโอกาสให้เราได้เจริญกุศลนะมีภาระน้อยไม่ต้องจัดแจงในเรื่องของความเป็นอยู่ปัจจัยสีเราก็มีพอเพียงนะงที่จ ะ, จะเจริญกุศลในขั้นนี้ก็ ในท้ายที่สุดก็อนุโมทนากับโยมโดขีผู้ปฏิบัติทุกคนนะก็ขอตั้งจิตอันเป็นกุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้โยมทุกคนจงพ้นจากวัะทุกขตัสรู้ซึ่งอริยสัจสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็ทำให้แจ้งทึ่งมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันและปัรถนาความพ้นทุกข์ อย่างเล fond, own, ียวฟันก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านหรืออันนี้มนดกท่านวันชัยนิดนิดนิอันนี้มรดกอันเลยเฉลยเจริญพรครับพูดพูดเรื่องสีห้าอีกทีกแล้วครับ ข้อหนึ่งก็คือให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตของผู้อื่นข้อสองให้ความปลอดภัยในทรัพย์สินข้อสามก็ให้ความปลอดภัยในบุตรภรรยาของผู้อื่นข้อสี่ให้คาสัจจะคำจริงไม่หักลานผลประโยชน์ของผู้อื่นข้อสุดท้ายให้ให้ความไม่น่าเลวหวาดระแวงแก่ผู้อื่นครับแล้วเคยได้ยินจากอาจารย์สมทบว่าถ้าถ้าจะรีบศินยังไม่ปริบูรณ วาลีสี น, นั้นไม่ใช่ฐานนะครับก็คือทํากิจกรรมทุกอย่างก็ต้องทําด้วยความละเิงให้มีความปาโมดปีติปสัสสิสุขสมาธิครับก็เคยได้ได้ยินจากพี่เอกว่าแบบสีนี้ก็หมายถึงความไม่โกรธด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกฝึกได้ตลอดทั้งวันนะครับทํากิจกรรมอะไรก็ทําด้วยความละเลยครับ แค่นี้ครับยอมเชื่นใจไหมที่ได้ถวายอาหารนี่ได้แล้วอ้าวนี่มลก็แสดงพรญาติโยมเนออนุโมทนากับทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติแล้วก็คนที่ถวายสิ่งของหรืออะไรต่างๆมาตลอดระยะเวลาให้ความช่วยเหลือที่อยู่ในคอร์สแล้วก็ ก็อาจจะมีในการพูดจาอาจจะมีกระทบกระทั่งอะไรกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยก็เราต้องขออภัยถ้าเกิดสิ่งไหนเราอาตมาอาจจะไม่ได้อ้างอิงในหลักธรรมพระพุทธเจ้าหรืออาจจะพูดผิดไป ก, ก็ก็ต้องขออภัยไว้นะสถานที่นี้ด้วยแล้วก็โยมคนที่เกี่ยวกับจิ้งจอกอะโยมถูกถูกประตูนหนี่ปโยมนะโยมนะ ถ้าโยมไม่พยายามไปมองแต่จิ้งจกแถวขอบประตูประตูก็ไม่หนีบเท้าโยมนะโยมนะเออแล้วยมคุณยายคนนั้นไงโยมเออนั่นแหละโยมนั่นแหละไม่ต้องหลบเออโยมเอออยากจะคือคุณยายเนี่ยเขาเป็นคนดีมากนะโยมนะคืออายุเขาเจ็ดสิบกว่าแล้วแล้วก็เขามีวิชานวดเขานวดให้คนอื่นเขานวดให้ฟรีๆนะโยมเขาไปเสนอตัวนวดให้คนอื่นแต่บางทีเขาก็ได้รับการตอบรับ ในทางที่ไม่ดีพอมีคนให้สตางค์เขาเขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วก็เอาเงินไปทําบุญใช่ไหมยายใช่ไหมเอ่ยเออแต่เขายังไม่ค่อยมั่นใจในความดีที่เขาได้ทําพวกเราว่าเขาทําดีไหมอ่าพวกเรากล่าวสาธุบายยัยสักสาครั้งนะโยมเออสิ่งหนึ่งที่มันชอบเกิดขึ้นในตัวพวกเราคือเราไม่มั่นใจ ว่าเราที่สิ่งที่เราทำมันดีทั้งที่เราทำดีนะก็อยากให้พวกเราชื่นชมตัวเองให้มากๆเวลาเราได้ทำความดีแล้วอโยมแล้วก็ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่อาตมาสังเกตจากตัวเองแล้วก็คนอื่นๆในเวลาที่เราข้อข อ, ขอดูสังเกตว่าเราจเจริญกรรมฐานได้หรือปฏิบัติทำได้ดีหรือไม่ดีโยมโยมรู้จักคาว่า กรรมฐานขี้โกรธไหมโยมเออกรรมฐานขี้โกรธเป็นยังไงคือบางทีเราเรามุ่งเน้นเอาแต่เรื่องของตัวเราเองคนเดียวมากเกินไปพอใครมาข้องแวะอะไรอะไรกับเราเราโกรธเอออย่างนี้โยมว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีไหมโยมเออเนอะสิ่งที่อตาตมาเห็นก็คือผลที่น่าจะได้จากการเจริญเสียนสมาธิปัญญาคือ เราน่าจะเป็นคนอ่อนโยนนะแล้วก็อ่อนน้อมแล้วก็รับฟังอะไรได้หลายๆอย่างโดยที่วางใจเป็นกลางพระพุทธเจ้าตัดว่าถ้ามีคนนอกาศาสนาเดียร์ฉีอะไรมาว่าพวกเธอพิษุมากล่าวพระธรรมว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้มาพูดดูถูกมาพูดเลยก็ตามแล้วพวกเธอโกรธซะแล้วอ่ะพวกเธอจะได้ยินไหมว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างได้ยินไหพวกเรา ไม่ได้ยินใช่ไหมพอไม่ได้ยินปุ๊บแล้วจะตอบโต้เขาถูกไหมก็ไม่ถูกนิยมนะเออความหมายของการที่ว่าฟังอะไรได้อย่างมีใจเป็นกลางก็อยากให้พวกเรานําข้อนี้ไปปฏิบัติใช้เหมือนกันอย่าพึ่งไปฟันธงว่าสิ่งที่เราทํามามันอาจจะเป็นสิ่งที่ถูกทั้งหมดและสิ่งอื่นนั้นผิดทั้งหมดนะแล้วก็พวกเราก็อยู่ด้วยกันก็คงไม่ได้เจอกันแค่นี้อาจจะได้อยู่ในเส้นทางดีแล้ว เ, เจอกันต่อไปก็ ขอ้ทุกคนอยู่ในเส้นทางนี้ได้อย่างชื่นมืนเฮฮาแล้วก็ล่าเริงแล้วก็มีสาระนะโยมอนุโมทนาด้จ้ะอ่ะนมมอาจารย์มีชัยก็อนุโมทนาในการได้มาเจริญกุศลของโยมทุกท่านในกุศลจิตของโยมทุกคนเนาะส่วนใหญ่ก็ทั้งอาจารย์สมโทปนะก็ให้ปัจฉิมโอวาทไปแล้วหั่นตถานีพิฆเวอมัตยามิโวเรานั้นเป็นต้น ตอนแรกธรรมาก็นึกว่าถ้ามาจะพูดมาก็จะพูดคำนั่นเลยโยมอาจารย์นั่นพูดไปแล้วเลยนึกไม่ออกเลยจะพูดอะไรดีงั้นเอาคำใหม่โยมซึ่ง ท, ท, ทุกท่านก็พูดไปหมดแล้วนะทุกท่านก็พูดไปหมดแล้วธรรมาก็จะเน้นในสิ่งที่ธรรมาชอบแล้วกันโยมเนาะแต่มาก็จะบอกโยมว่าทานกุศลโยมเป็นที่พึ่งให้โยมได้ถ้าโยมให้ทานกุศล ฐานกุศลคือเจตนาที่คิดจะให้สละบแบ่งปันนี่เนาะเมโยโอมได้กระทํามันขึ้นแล้วในในใจของโยมไปเกิดที่ไหนชาติไหนหนใดหรือเกิดที่นี่ในขณะนี้หรือที่ในพบนี้นะทานกุศลตัวลักษณะของเขาคือเจตนาที่คิดจะให้สละบแบ่งปันนั่นเองผลปรากฏของเขาคือพบสมบัติโยมเข้าใจคํานี้เนาะพบสมบัติก็คือการได้ซึ่งความเจริญในโภคสมบัติ ทั้ ง, ท, ง, ท, งที่อยู่ในชาตินี้ก็ดีหรือในภพถัดไปก็ดีแล้วอีกตัวหนึ่งที่ทานกุศลที่ปัสจากตนาทิฏฐิมานะให้ก็คือวิภาวะสมบัติวิภาวะสมบัติในที่นี้หมายถึงการได้ความเป็นพระอรหันต์แล้วก็ปรินิพานไปนั่นเองนาโยมเนาะเพราะฉะนั้นทานกุศลก็จะเป็นปัจจัยนะที่จะทำให้โยมได้ในสิ่งที่ควรได้นั่นเองใน บางครั้งเราก็เรียกทานกุศล น, นี้ในสัพที่เราเคยได้ยินแล้วดูดูแล้วนะชื่นชอบชื่นชมสำหรับคนทุกๆคนเขาเรียกว่าทานบารมีแต่ในจริยาปิฎกแล้วทานบารมีจะมีค่าได้จะมีผลมากมีในสง์มากได้ถ้าปาฏิจากศีลบารมีแล้วทานก็เป็นของด้อยไปเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นตมาก็จะเตือนโยมว่าจงมีทานด้วยบารมีด้วยแล้วจง ทำศีลบารมีอย่างที่เนนน้อยของธามาเนาะชื่อจริงชื่ออะไรธามาไม่รู้เหมือนกันชื่อรมารู้จักเรียกรู้จักแต่ว่าชื่อเนนบอมบอมอ่ะนะนะบอกไปแล้วนโะยมนะศีลบารมีก็คือศีลห้านั่นเองแล้วก็หัวใจของการจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ธารมาละไปอีกหลายบารมีไปบารมีที่9้าเลยโยมเนาะคือเมตตาโยมนะพรเจ้าตรัสว่าเป็นภาษาบาลีหน่อยนะ้ยโยมนะ มิตายพิโคเวเจโตวิมุติยะอาศวิตายาภาวิตายาภาบริกตายา a า a ิกตายาวาตุกตายาอนุติตายาปริตติตายาสุสมารถายมเอกาทัสสานิสังส a าปติกังขากัตเมเอกาทัสสัสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชติณปาปกังสุปิณังปัสสติ มนุษย์นังพิโยโหติมนุสย์นังพิโยโหติเทวตารักขันตินาสักิวาวิสังวาสาธังวากรมติตุวะตังจิตตังสมาธิญติมุขวันโนวิปัสสิทธติอาัมมุนโกาลังกโลติอุตริงาปติวิชันโต พัมมารกูกปคโหติแปลยมก็ได้ยินคำแปล ม, มาแล้วนะีโยมเนาะก็คือเมตตาเจโตมิมุติที่คนเสพมากแล้วนะทำให้มากทำให้เกิดขึ้นแล้วทำให้เป็นประดุจยานทำให้เป็นอุปกรณ์ใช้สอยสั่งสมพอกพูนมากแล้วย่อมเยนในสงฆ์11ประการ11ประการนั้นเป็นอย่างไรหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขแม้หลับฝันไม่ฝันร้ายมนุษย์รักให้อมนุษย์รักให้เทวดาทั้งหลายตามปกปักรักษา ไฟสาตารยาพิษไม่สามารถกั้มกายได้สมาธิก็ทั้งมันได้ไวผิวพันวั น, นะก็ผ่องใสนะใกล้ตายก็ไม่หลงทำการําการลกิยาเมื่อยังไม่ได้คุณวิเศษที่อื่นใดกว่านี้ก็คืออรัฐผลอรรมรรคอย่างนี้เป็นต้นเนาะก็ไปสู่พมโรคนั่นเองเมตตามีคุณมากอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่พูะเจ้ามีผิวดังประดุจทองคำได้ มหาภูริษณะข้อหนึ่งของผู้เจ้าคือมีผิวประดุจทองคําได้เพราะอะไรเอ่ยเพราะต ถ, ถาคตในชาติก่อนในกําเนิดก่อนได้สั่งสมความเป็นคนไม่โกรธเป็นคนมีเมตตาไว้เมื่อถาราถตถาคตละจากชาตินั้นแล้วก็ไปสู่เทวโลกเนาะนะได้อายุทิพวรรณทิพสุขทิพเหล่านี้เป็นต้น10ประการนะแล้วก็เมื่อมาเกิดในภพสุดท้ายนะก็จะได้มาได้มหาภุริษณะนี้คือมีพระฉีวิวันประดุจทองคํานั่นเอง ด้วยเหตุคือการไม่โกรธนะแล้วก็บุคคลผู้มีผิวพันธุ์ประดุจทองคําแล้วนะก็ด้วยอำ น, นาตของความไม่โกรธเอเมนโยมเนาะก็เป็นผลอย่างที่อเนกสงของเมตตาสิบเอกการบอกนั่นเองโยมชีวิตของคนมีเมตตานะก็จะเป็นชีวิตที่ผาสุขราบเรียบสบายนะถ้าโยมไม่เชื่อโยมลองทําตามที่จะมาลองบอกนะโยมเนาะแต่อยากให้ลองไม่เชื่อก่อน ไม่เชื่อแบบพิสูจน์นะไม่เชื่อแบบอย่าไม่เชื่อแบบไม่เอาเลยเุ้ยไม่เชื่อหรอกจะไปสนใจเลยแต่ไม่เชื่อแบบนักวิทยาศาสตร์ไม่เชื่อไม่เชื่อแบบงั้นต้องลองลองให้ทานลองรักษาศีลลองเจริญเมตตาก่อนมาที่นี่ก่อนมาที่นี่โยมแต่มาเจอโยมผู้ชายคนหนึ่งเนอะอายุประมาณน่าจะประมาณหกสิบเป็นคนที่ไม่ทําบุญเลยไม่ใส่บาตรไม่ไม่ชอบนักบวชเนอะ แล้วก็ไม่มีอะไรกิจกรรมเป็นบุญบุญเท่าไหร่เลยเนาะอยู่วันๆันก็ทำงานแล้วก็อยู่กับลูกเมียก็จะโกรธภรรยามากถ้าภรรยาไปวัดเนาพะพอดีวันหนึ่งก็โยมผู้ชายคนเนี้ยมาคุยกับตามาตามาก็ได้คุยกับเขาแล้วก็บอกเขาอย่างนี้บอกที่บอกโยมนั่นแหละแล้วก็บอกว่าอย่าพึ่งเชื่อนะแต่ที่ตามาเห็นมาเห็นมาคนที่ทำงานทำการแบบคารวะแล้วมีเป็นคนผู้ไม่โกรธเนี่ย กิจกรรมการงานของเขาสะดุกสบายทุกอย่างเลยปัญหาอะไรก็ต่ําโยมเชื่อไหมภรรยาเขากลับมาบอกกัตมาว่าหลังจากวันนั้นมาคนคนนี้ก็ใส่บาต ท, ทุกเชา้ทาทั้งที่ไม่เคยชอบพนักบวชเลยแล้วก็เริ่มฝึกรักษาศีลเป็นต้นนะโยมเนอะกัตมาจึงอยากจะบอกเหมือนกันโยมเผื่อโยมจะเป็นเหมือนคนคนนั้นนะคืออย่าเพิ่งเชื่อแต่โยมลองไปเจริญกุศลดูนะว่าให้ทานแล้วเป็นผลอย่างไรรักษาศีลแล้วเป็นผลอย่างไร จเจริญเมตตาแล้วเป็นผลอย่างไรนะไม่นานหรอกโยมโยมจะเจอว่าผลมันมีจริงๆอย่างที่อาตมาและพระพิสุสง์หรือญาติโยมหลายๆคนที่เคยได้ลองทําแล้วก็จะรู้ว่ามันมีอย่างนี้จริงๆมันมีอย่างนี้จริงๆเนาะนะเราจะเข้าถึงได้รู้ได้ด้วยตนของตนนั่นเองนะโยมนะงั้นโยมลองจเจริญกุศลดูแต่ตามาไม่ได้ไปไม่ได้บอกว่าเมื่อโยมกุศลเยิอนเจริญกุศลแล้วโยมไม่ต้องประกอบอาชีพของโยมนะ โยมยังหวังทานมีทรัพย์อยู่ให้ทานอย่างเดียวแตนอนอยู่เฉยๆทรัพย์จะไม่เกิดนะมันก็ต้องเป็นกิจกรรมให้มันครบองค์ประกอบมันด้วยเมื่อมีผลเมื่อมีการเจริญกุศลแล้วก็ต้องเปิดโอกาสให้บุญเหล่านั้นให้ผลใช่ไห ม, ยมโยมเนาะเช่นถ้าอยากได้โอกาสทางทรัพย์ก็ต้องประกอบอาชีพนะแต่อาชีพเหล่านั้นก็จะเกิดทรัพย์ได้ง่ายกว่าปกตินะถ้าเราเป็นคนมีเมตตาแล้วศัตรูก็น้อยคนเบียดเบียนก็น้อยอย่างนี้เป็ น, นต้นตมา ก็ถือว่าให้คำแนะนำนั่นเองนะก็คือสรุปทานศีลและเมตตาเมื่อพูดถึงเมตตาแล้วก็หมายถึงกรุณามุ้ทิตาและอุเบกขาเมื่อพูดถึงกรุณาแล้วกรุณาเป็นปัจจัยแก่บุมีทั้ง10ประการแปลว่าจะมาพูดหมดทุก1ิบอย่างแล้วกันนะุยมเนาะสาธุสาธุาธเดี๋ยววันนี้ก็ปิดรายการ น, นนะ่ยนะ อยากจะพูดถึงคำว่าพรให้เราฟังนิดหนึ่งพูดแบบรวบรัดแล้วก็สั้นๆคำว่าพรเนี่ยโดยมากเราทั้งหลายอยากจะได้กันโดยมากไปหาพระก็จะขอพอรจากพระเป็นต้นคำว่าพรในหมายถึงสิ่งหน้าปรารถนาที่บุคคลหนึ่งอำนวยให้หรือแสดงความประสงค์ด้วยความปรารถนาที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลอื่น นั้นคขาบอกพรก็กลายเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนั้นแต่พรที่เรารู้จักกันดนะีในชุดคำสอนที่เรียกว่าจะตุรพิธผรทั้งสประการมีอะไรบ้างรู้ไหมมีอายุมีวันณนะมีสุขะคือความสุขแล้วก็มีพระทีนี้พรนั้นนะ่ะที่มาในหมวด5ก็มีเช่นคําว่าอายุวันณนะ สุขะพละอีกคำหนึ่งคืออะไรปฏิพานหมายถึงปัญญาได้ห้าแล้วนะอายุวันนะสุขะพละแล้วก็ปฏิพานเป็นห้าเออถ้ามองอย่างนี้ก็เห็นว่าคำว่าอายุวันนะสุขะพละเนี่ยมาในหมวดสี่ถ้าเพิ่มคำว่าปฏิพานด้วยก็มาในหมวดห หรือบางทีเนี่ยจะมีคำว่าอายวันณะสุขยศแล้วก็เกียรติเกียร ต, ติเนี่ยนะแล้วก็สักขะคือสวรรค์แล้วจะมีตาหมายความหมายหนึ่งก็คือคำว่าอธิ ป, ปัจจะก็หมายถึงความยิ่งใหญ่หรือความเป็นใหญ่และอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าอุจจากรีนาตาก็คือความเป็นผู้เกิดในตระกูลสูง ฉะนั้นก็คือว่าคำว่าพรในที่นี้เป็นการใช้โดยอนุโลมตามความหมายในภาษาไทยซึ่งก็เพี้ยนไปแล้วจากภาษาเดิมคือภาษาบาลีนะเดิมทีเดียวพรนั้นหมายถึงผลประโยชน์คำว่าพรในที่นั้นหมายถึงผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษที่อนุญาตหรืออํานวยให้ตามที่ขอเช่นนางวิสาขาไปขอพรจากพระพุทธเจ้า8ประการนี้เป็นต้น เพระนพระพุทธเจ้าก็อนุญาตสิทธิพิเศษแล้วก็อำนวยให้อนุญาตให้ตามที่เธอขอนั้นสําหรับพระภิกษุนีพรหรือธรรมที่น่าปรารถนาเนี่ยก็หมายถึงคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงบอกเขาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงท่องเที่ยวอยู่ในถิ่นก็คือท่องเที่ยวที่เป็นแดนของตนเองเนี่ย คือสืบทอดสืบทอดกามาแต่บีดาก็คือให้ท่องเที่ยวอยู่ในสติปัฏฐานสี่อันนี้เป็นโคจรเป็นทางเดินของพระภิกษุเช่นให้ท่องเที่ยวอยู่ในกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานและก็ธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานเอาเทานี้จะได้ให้ความหมายคำว่าที่เราจะให้พรในครั้งนี้นะก็มีคาว่าอายุวันน่สุขาพราเป็นต้น คำว่าอายุยอมรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรคำว่าอายุในที่นี้หมายถึงพลังที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้สืบต่อได้อย่างยาวนานแล้วอะไรเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตให้สืบต่อได้อย่างยาวนานลืมหรื อ, อยังหนึ่งฉันทะความมีใจรักใฝ่ใจอย่างแรงกล้าสอง วิริยะคือความเพียรบากบันก้าวไปใจสู้ความเกล้ากลา้าสามจิตตะก็คือการอุทิศกายอุทิศใจก็คือจัจ่อมุ่งมั่นสี่ก็คือปัญญาฉะนั้นถ้าบอกว่าที่พระท่านให้อายุเนี่ยคือให้อะไรเราให้อะไรรู้ไหมพระบอกว่าขอให้อายุเนี่ย คำว่า อ, อายุวันโนสุขขังพลังใช่ไหมคำว่าอายุที่พระท่านให้แปลว่าพระท่านให้อะไรให้เรามีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตโดยความมีกลุ่มของกุศลชันท้าที่แรงกล้ามีความใฝ่ใจมีความรักในการที่จะประกอบตนเองนะให้อยู่กับสิ่งที่ดีงามแล้วก็มีความเพียรไม่ถดถอยมีจิตตะคือความมุ่งมั่นด้วยนะ มีจิตจดจอ่อแล้วก็มีปัญญาในการที่จะรู้จักองค์ประกอบที่จะทำให้กระแสชีวิตนั้นดำเนินไปด้วยดีนี่แปลว่าพระให้พอหลือย่างข้อแรกประการต่อมาคือวันนะถามว่าอายุแล้วก็วันนะใช่ไหมวันโนเนี่ยวันนะนั้นเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของกุศลและศีล ฉะนั้นเจตนาที่มีการงดเว้นจากการฆ่าจากการลากักจากการประพฤติผิดในกรารมเป็นต้นอันนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้มีวันณะดีหรือไม่ดีนั่นแหละคือวันณะทั้งหลายเกียรติคุณทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่คนที่มีศีลฉะนั้นพระให้พรว่าอายุหมายถึงอิทธิบาทศีวันณะหมายถึงหมายถึงศีลต่อไปก็คือความสุขใช่ไหมอายุวันณนะสุขขา สุขหมายถึงอะไรยอมรู้ไหมสุขหมายถึงปฐมฌานสุขสุขที่อยู่ในปฐมฌานทุติยฌานสุขนะตติยฌานสุขและจตุตถฌานสุขฌานทั้ง4ประการนี้คือความสุขที่แท้จริงตอนนี้โยมได้ความสุขระดับนี้หรือยังสามารถเจริญอาณาปาณสติแล้วสามารถตัดบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายเข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานได้หรือยัง อันนั้นที่พระที่ท่านให้พอนะีปราถนาให้เรามีความสุขที่เป็นทิฏฐธรรมะสุ ข, ขาวิหารทําเครื่องอยู่เป็นสุขในะปัจจุบันเห็นไหมอายุหมายถึงอิทธิบาทวันหน้าหมายถึงศีลสุขขานั่นหมายถึงความสุขในฌานทั้งสี่มีอีกคํานึงคําว่าโภคะโภคานี่คือการพังพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและอุปกรณ์ต่างๆอํ า, า, าอนวยความสุขความสะดวกสบายได้แก่อะไรโภคาในที่นั้นนี่ย โพคะในคำสอนท่านหมายถึงอปปมัญญาทั้ง4มีอะไรบ้าง 1. เมตตาอปปัมัญญากับพระวิหารในะเดียวกันนะอ่ะพระวิหารสี่คืออะไรหนึ่งเมตตาสองสสนี่เขาเรียกโพคะงั้นคนที่จะบริบูรณ์ได้โพคะเนี่ยพระงพร้อมในทรพทัพย์สมบัติอุปกรณ์ต่างๆ อันอำนวยความสุขกความสะดวกความสบายให้นั้นไม่มีอะไรเกินพรมวิหารไม่มีอะไรเกินอัปมัญญาสี่ฉะนั้นก็ขอให้ยามนั้นจงประสบความสำเร็จในการได้โภคะคือสามารถเข้าถึงพรมวิหารกันได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไว้คือพละพละได้แก่อะไรกำลังแรงความเข้มแข็งที่ทำให้ขจัดกิเลสสมานเป็นต้นได้ ทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดโปร่งเป็นสุขบาเพ็ญกิจด้วยความบริสุทธิ์อย่างเต็มที่ไม่มีกิจหรือความทุกข์ใดๆที่จะมาบีบคั้นครอบงำได้ฉะนั้นภละในความหมายที่กล่าวไว้ในคาสอนท่านถึงหมายถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นจากกา ม, มาสวะภวาสวะทิฐาสวะและอวิชชาสวะแล้วก็สามารถเข้าถึงอรหัตผลได้อย่างแท้จริงสรุปแล้ว อายุได้แก่ได้แก่อะไรอิทธิบาทสี่พระอธิบายไปแล้ววันณะได้แก่กุศลศีลสุขะได้แก่ได้แก่อะไรได้แก่ฌานทั้งสี่มีปฐมฌานเป็นต้นโภค้าได้แก่ได้บริโภคอะไร พรมวิหารทั้งสี่พละหมายถึงการมีพลังมีกำลังน่มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่มีกำลังอย่างแรงกล้าศรัทธาพละก็สามารถกำจัดอะไรการจัดอสัทถยะความไม่มีศรัทธาในพระตรนไตรได้วิริยะาละกำจัดอะไรกำจัดความหดหู่ความเกียดค้านน่ ความความเกียจค้านที่เป็นบาปอากุศลได้สติพร ะ, ะกําจัดความหลงลืมอกุศลทั้งหลายเนี่ยมุทะจะนี่แปลว่าเอ่ยมุทะคือความหลงลืมส่วนสมาธิพร ะ, ะก็กําจัดความฟุง้งซ่านปัญญาพร ะ, ะก็กําจัดความหลงความงโง่ในที่สุดจริงๆก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้อย่างแท้จริงเอาแล้ววันนี้พระได้ให้ให้อะไรเรา ให้พรนะพรก็คือเป็นสิ่งที่ประเสริฐฉะนั้นอยากให้เรามีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตมากๆก่อนที่จะมาเนี่ยมาไปที่ตึกหนึ่งที่เขากำลังปฏิบัติกันอยู่เจ้าหน้าที่ที่ทาบัญชีก็เล่าให้ฟังว่าคนส่วนใหญ่ที่มาปฏิบัติเออคนมากเลยที่มาปฏิบัติในยุคหลงังๆเนี่ย โดยมากจะมีโรครุมเร้าโดยเฉพาะก็เป็นกลุ่มโรคมะเร็งลุมเล้าบ้างโารคไตรุมเร้าบ้างโรคตับบ้างเป็นต้นแล้วเนี่ยงั้นแต่ละคนก็ท้อถอยหมดหวังฉะนั้นพวกเราถึงแม้มีอายุมากหรือน้อยแต่ถ้ามีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตต่ําก็เป็นคนที่ท้อถอย อยากปรารถนาให้พวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตให้มากเช่นมีพลังที่มีความรักมีความใฝ่ใจอย่างแรงกล้าในอันที่จะภาคเพียนนะรักในอะไรเรารักในศีลไหมรักไหมรักในจุดหมายของศีลไหมรักในสมาธิไหมรักในจุดหมายของสมาธิไหมรักในปัญญาไหม รักในจุดหมายของปัญญาไหมถามว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักการปฏิบัติเป็นข้อฝึกฝนที่จะพัฒนากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้ไปสู่ความปลอดภัยได้อย่างแท้จริงฉะนั้นให้เรามีความรักในศิกขะสามหรือรักในทานศีลภาวนาเนี่ยี่อันที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทางซึ่งประเสริฐและก็เลิศที่สุดฉะนั้นต้องมีความรักอย่างแรงกล้าในเรื่องนี้ มีความรักอย่างเดียวไม่พอนะต้องมีความเพียรมีความแ ก, กล้าไหมคนนี้ไม่กล้าหานไม่กล้าจะเจริญศีลสมาธิปัญญานะฉะนั้นต้องมีความแกกล้าเจอปัญหาเจออุปสรรคใดๆก็ไม่ท้อยิ่งเจอปัญหายิ่งเจออุปสรรคก็ยิ่งมีพลังหล่อเลี้ยงชีวิตมากและอย่างหนึ่งก็คือการกระทําสิ่งที่ดีงามขอให้เราทําด้วยอุทิศกายและอุทิศใจอย่างเต็มที่จิตจดจ่อมุ่งมั่นอย่างนั้นให้เต็มที่ ถ้ายังไม่รู้จุดหมายหรือผลประโยชน์ที่ที่พึงหรือผลที่พึงจะได้รับอย่างจุดหมายสูงสุดก็จะไม่หยุดและอย่างหนึ่งก็คือองค์ประกอบที่สำคัญของการที่จะเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตก็คืออะไรคือปัญญาการฟันตรวจสอบแยกแยะที่จะสามารถรู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราประสบความเสื่อมก็ถอดองค์ประกอบเหล่านั้นออกเสียอะไรที่จะทาให้เราประสบความสำเร็จก็ให้เหตุปัจจัยตรงนั้นสรุปแล้วนี้ก็คืออายุ ส่วนวันนันะ้นเปชื่อของกุณ ส, สุรีลเมื่อสักครู่พระท่านบอกว่าทานที่จะมีผลมากมีอนิสงส์มากต้องมีอะไรกำกับต้องมีอะไรกำกับฉะนั้นทานของคนทุ่ศีลมีผลมากไหมเอา้าหมีแพนด้าเนี่ยให้ทานไหมในอดีตแต่เขาวิบัติตรงไหนเห็นไมไม่มีศีลกำกับเขาจึงไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเนี่ยมันเสียหายอย่างเงี้ย ทีนี้ศีลเนี่ยต้องมีอะไรกำกับจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากศีลของผู้คลองเรือนกับศีลศีลของบุคคลที่ออกจากเรือนเนี่ยไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันศีลของบุคคลที่ติดข้องในกามกับศีลที่คนออกจากกามอันไหนมีอานิสงส์มากกว่ากันไหมศีลของคนที่ออกจากกามมีผลมากอานิสงส์มากทีนี้การบําเพ็ญเนขกขมารคือการออกจากกามเนี่ยเราก็เห็นพวกฤาษีชีพายที่เดินหลงทางไหม เราเคยเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติหลงทางไหมเพราะเขาไม่มีอะไรกํากับเพราะไม่มีปัญญาคือความชาญฉลาดในเหตุและผลเป็นตัวกํากับเห็นไหมก็มีผลต่ํามีอนิสงส์ต่ํำฉะนั้นต้องมีปัญญาเป็นตัวกํากับคนมีปัญญาอย่างเดียวแต่เกียดค้านจะประสบความสําเร็จไหมฉะนั้นปัญญาต้องมีอะไรกํากับต้องมีความเพียรความกล้าเป็นตัวกํากับเอาความเพียรมีความเพียรมีความกล้ากํากับแล้วถ้าวางใจไม่เป็น ถ้าไม่มีความทนทานทางด้านจิตใจสูงจะกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายไหมฉะนั้นจะต้องมีความทนทานในทางด้านจิตใจสูงอะไรเป็นตัวทาให้มีความทนทานก็คือการมีสติมีสัมปชัญญะในการกำกับจิตของตนเองให้ทนทานต่อแรงเสียดทานคืออภิชาและโทมานาสเป็นต้นตลอดถึงสิ่งยั่วยุทั้งหลายที่ทาให้ใจเราตกต่าฉะนั้นวิริยะบรารมีต้องมีอะไรกากับ มีขันติบรารมีเป็นตัวกำกับขันติมีอะไรเป็นตัวกำกับมีอะไรทำท่าลืมแล้วน่าท้อใจแทนพวกเราไหม <c oughs> มีอะไรเออมีสัจจะสัจจะเนี่ยมันเราเป็นคนบูชาความจริงไหเป็นคนทำจริงหรือเปล่าพูดจริงไหมเป็นคนจริงใจหรือไม่จริงใจ นั้นก็คือนั่นแหละเรื่องของความจริงทําจริงพูดจริงแล้วก็จริงใจเนี่ยลักษณะสัจจะเป็นตัวกํากับที่จะสามารถทําให้ขันติบา ร, รมีนั้นประสบความสําเร็จได้ทีนี้สัจจะต้องมีอะไรกํากับอธิษฐานแปลว่าการร้องขอใช่ไหมอธิษฐานแปลวความตั้งใจมั่นอะไรเน้อที่จะทําให้เราไม่ถอนความตั้งใจไหมมีสัจจะพวกเราตั้งสัจจะไว้หรือยังว่าจะพ้นทุกข์ เราตั้งสัจจะว่าเราปรารถนาให้ได้มาซึ่งอนุปาทาบริณิพนธ์คือความพ้นจากวัฏทุกใช่เราได้พูดไปหรือยังพูดได้ยังว่าเราจะพ้นทุกเป็นสัจจะทางวาจาหรือยังได้ทำหรือยังได้กล้าทำแล้วเป็นสัจจะทางกายด้วยเนาะเอาได้มีความคิดจริงใจที่จะทำไหมนะจิตใจที่เรามั่นคงลงไปแต่ว่า ถ้าไม่มีอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นเวลาไปเจอปัญหาเจอเหตุการณ์ต่างๆก็จะถอนความตั้งใจชนะอธิษฐานธรรมก็แปลความตั้งใจมั่นก็แปลว่าอธิษฐานแล้วทําไม่ใช่อธิษฐานแล้วร้องขอรอผลข้อสุดท้ายก็คืออธิษฐานบา ร, รมีนี่เออไม่ใช่อธิษฐานมีอะไรกํากับเมตตาใช่ไหมบางคนจากการที่พอตั้งใจอะไรอย่างมั่นคงแล้วเครียด ใจมันไม่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีความเอื้อธทรเนี่ยนะฉะนั้นจึงต้องมีเมตตากํากับถ้าเมตตามีอะไรกํากับสําคัญที่สุดไหมคําว่าอุเบกขานี่คือการวางใจคือจิตมันลงตัวแล้วนะฉะนั้นสําคัญที่สุดก็ตรงอุเบกขานี่แหละที่จะทําให้คุณธรรมหรือบรารมีทั้งหลายเนี่ยบริบูรณ์ได้เพราะคําว่าอุเบกขานั้นเป็นความที่สามารถจัดสรรองค์ประกอบของคุณธรรมทั้งหลายมีความสมดุลกันได้ เหม็มศรัธาวริยสติสมาธิปัญญาโพธิปักกิยธรรมมีสติปัฏฐานสมปทานทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้องค์ประกอบของคุณธรรมทั้งหลายที่จะมีความสมดุลเหมาะสมอยู่ต่างอยู่ในตําแหน่งของตนเองที่ถูกต้องและสามารถเอื้อหรือว่าทํางานประสานการเชื่อมกันได้ดีนั้นก็คือการลงตัวเขาเรียกอุเบกขานี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นสรุปแล้วก็คือว่าเราท่านทั้งหลายมาในครั้งนี้ก็คือว่า อยากให้เราทั้งหลายนอกจากว่าเห็นไหมว่าวันนาเป็นชื่อของศีลก็จริงแต่ก็ต้องพัฒนาสุ ข, ขาเป็นชื่อของปทโสมชาตทุติยชาตชาิตัดที่ชาติเจตุลชาตินั้นตราบใดถ้าเรายังไม่สามารถทําฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตเราได้เราก็จะไม่สามารถได้เสวยหรือได้บริโภคความสุขเหล่านี้ได้จริงนะสุขะส่วนโพคะเนี่ยการที่เราจะพั่งพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติและอุปกรณ์ต่างๆที่อำนวยความสุขความสะดวกดวกความสบายก็จะแก่พรหมวิหาร ลืมไม่ยังครับว่าพรหมวิหารปแปลว่าอะไรนะทำอันประเสริฐใช่ไหมธรรมะที่ควรธรรมะอะไรทำอันประเสริฐเป็นธรรมประจําใจอันประเสริฐใช่ไหมต้องเอามากํากับไว้ในใจเพื่อคอยกํากับพฤติกรรมของเราด้วยแล้วก็พยายามเนี้ยตรงนี้แหละเรียกว่าเป็นโภคะที่เราจะได้บริโภคและใช้สอยได้ เราต้องการจะบริโภคเมตตาในขนาดไหนก็สามารถบริโภคได้สามารถจะบริโภคกรุณาเมื่อไหร่ก็บริโภคได้ตลอดเวลาจะบริโภคมุทิตาและเบกขาเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะใช้สอยได้ตลอดเวลาส่วนภละนั้นหมายถึงกําลังของอินทรีย์ทั้งหลายที่จะเป็นปัจจัยต่อการกําจัดกิเลสสมานทั้งหลายมีราคาโทสะโ ม, มหะเป็นต้นและจนสามารถเข้าถึงอาราธมากักอาราธผลได้มาซึ่งอนุ ป, ปาธาปรินิพานในวันนี้ คณะของอาตมา น, นก็มีพระสคงสามรูปสมณเณรสองนี่นเออสทั้งอาตมาเนี่ยคณะสอ์มาในครั้งนี้ก็มากันด้วยความตั้งใจต้องการอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้เกิดความรู้เกินความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ประพฤติปฏิบัติกันฉะนั้นมันก็อาจจะมีนะว่าบางอย่างหรือบางประการที่ พวกเราอาจจะขัดเคือง mm. Mm. นะมีไหมหรือไม่อย่างนั้นอาจจะทำให้พระเกิดขัดเคืองไอ้ตรงนี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่า mm. พวกเราทั้งหลายก็ต้องรักษาใจกันให้ดีคณะของพระภิกษุแล้วก็สัมเนรที่มาให้การอบรมมาแนะนำพร่ำสอนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ย ถามว่ามาด้วยศรัทธาใช่ไหมมาด้วยศรัทธาเนีเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าคือเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตก็คือเชื่อมั่นปัญญาเนี่ยว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาศีลสมาธิโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาให้สามารถเข้าถึงโพธิปัญญาได้ก็สรุปแล้วง่ายๆเลยก็คือว่าเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าจริง เชื่อมั่นว่าพระธรรมเป็นธรรมะคาสั่งสอนที่นําสัตว์ออกจากวัฏทุกรได้จริงด้วยเชื่อมั่นภรริยสงฆ์ว่าท่านสามารถเดินตามรอยบาทพระศาษษษสดาทําตนเองให้พ้นจากวัฏทุก์ตามพระพุทธเจ้าได้จริงฉะนั้นก็เลยเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลต้นแบบเป็นบุคคลคนแรกของโลกนี้ที่สามารถขวนขวายทําตนเองให้พ้นจากมหันตภัยมหันตทุกได้แล้วเมื่อเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วคณะสงฆ์ก็มีความเชื่อมั่นว่า ปัญญาเนี่ยถ้าสใครสามารถพัฒนาไปถึงสัมโพ ธ, ธิแล้วเนี่ยสามารถแทงตลอดสัจจะสีได้สรุปตรงนี้ก็คือเชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถพัฒนาปัญญาเข้าถึงพุทธะได้เห็นไหมพระเจ้าแต่ก่อนที่บำเพ็ญบารมีพระองค์ก็เป็นรรมนุษย์อย่างเรานี่แหละแต่พระองค์ก็บำเพ็ญบา ร, รมีมีทานบา ร, รมีศีลเดชขมา้าปัญญาวิรยิยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและอุเบกขาบา ร, รมี บำเพ็ญอุป ป, ปัฏฐาบุญสิป ร, ม, ปรมัตบุญสิบขวนขวายตนเองจนสามารถทำสัมมาสัมโพธิให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตของทัานดาที่คือเชื่อมั่นศักยภาพความเป็นมนุษย์และก็เชื่อมั่นว่ามนุษย์เนี่ยสามารถที่จะขวนขวายเพียรพยายามในการที่จะทำปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นปัจเจกับพุทธารู้ได้เฉพาะตนตัดสรู้สัจจสีได้เฉพาะตนได้และก็เชื่อมั่น ว่าศักยภาพของมนุษย์สามารถขวนขวายเพียรพยายามทําให้เป็นอนุพุทธะหรือสาวกาพุทธะตัดสู้ตามสัมมาสัมพุทธะได้อามามีความเชื่อมั่นกันแบบนี้แล้วก็เชื่อมั่นพวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาว่าจะสามารถในการที่จะขวนขวายเพียรพยายามในการเดินตามศีลสมาธิปัญญาพัฒนาปัญญาระดับที่ยังไม่แข็งแรงจนสามารถแข็งแรงได้ ปัญญาพัฒนาจากไม่ระดับขณิกะสมาธิเข้าถึงระดับอุปจาระและถึงอัปนาสมาธิแล้วระดับวิปัสนาญาณสามารถจะพัฒนากระแสปัญญาตัวเองเข้าถึงระดับอนุพุทธะหรือเป็นพุทธะตามพระพุทธเจ้าได้อามาเชื่ออย่างนั้นและก็ฝากความเชื่อนี้ให้ยมกลับไปเชื่อมั่นตนเองด้วยนอกจากยอมเชื่อมั่นพระพุทธเจ้า เชื่อมั่นพระธรรมเชื่อมั่นพระสงฆ์ซึ่งเป็นรัตนยตตสัทธาแล้วขอโยมเอาความเชื่อนั้นกลับไปเชื่อมั่นตนเองว่าเราเป็นมนุษย์จะสามารถเข้าถึงความประเสรศิฐเข้าถึงความเจริญได้ด้วยการฝึกด้วยการพัฒนาฝึกฝนเพียรพยายามในการที่จะทำศีลสมาธิ ป, ปัญญาโดยเฉพาะปัญญาให้เกิดขึ้นจนสามารถพัฒนาตนเองเป็นพุทธะได้เรามั่นใจไหม มีใครมั่นใจตัวเองไหมว่าสามารถที่จะเพียรพยายามพัฒนาเป็นหนึ่งในพุทธะได้มั่นใจนะเออนี่แหละเอามาหวังตรงนี้แหละคณะที่เอามามาจัดการอบรมแนะนำพร่ำสอนก็หวังว่าพวกเรานั้นจะมีความเชื่อมั่นในศักยภาพความเป็นมนุษย์ว่าเมื่อได้ศึกษาฟังคำสอนประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามระบบคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจะผันตัวเองจากปุถุชน เข้าส hmm. uh ู่ความเป็นอริยะบุคคลได้จะพันตัวเองจากคนพาลให้เป็นบัณฑิตได้จะพันตัวเองจากคนไม่มีศรัทธาให้มีเป็นผู้ที่มีศรัทธาได้จากคนที่เกียจค้านเป็นคนที่มีความเพียรได้จากคนที่หลงลืมสติกลายเป็นคนบุคคลที่มีสติบริบูรณ์ได้จากคนที่ฟุ้งซ่านกลายเป็นคนที่มีสมาธิตั้งมั่นได้และจากคนที่มีปัญญาสามารถเป็นคนที่ฉลาดมีปัญญาแข่งตลอดสัจจะสี่ตามพระพุทธเจ้าได้ ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีมา2ี่สิบสองขายยิ่งด้วยแสนมหากับขออ้างอิงคุณของพระธรรมที่พระเจ้าทรงทำสอนขออ้างอิงนคุณของป ร, ริยสง่์ในสาขาแลจักรวาลจงเป็นปัจจัยเกื้อห น, นุนนําพากระแสชีวิตของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายให้เดินตามปฏิปทาอันยิ่งยวด ที่พระบรมศาสดาทรงเดินไว้คือศีลสมาธิปัญญาขอให้โยมนั้นจงสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาหรือใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นปฏิบทติานากระแสชีวิตของญาติโยมทั้งหลายจนสามารถทําศีลสมาธิปัญญาประชุมกันเป็นขณิกส า, า, ส า, าสมาธิอุปจารลสมาธิอปนาสมาธิแล้วก็ประชุมศีลสมาธิปัญญาเข้าถึงวิปัสสนาญาณทุกระดับ จนสามารถพัฒนาศีลสมาธิปัญญาประชุมในอาริยมรรคอริยผลตดาบรรลุเป็นพระโสดาบันสกาทาคาอานาคาและเป็นพาระอรหันต์ให้ได้อนุ ป, ปาทาปรินิพานคือความพ้นจากวัฏฏทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกประการเทอ